ใช่ความเกิดขึ้นเห็นกองทุกข์ทั้งปวงมีได้ด้วยอาการอย่างนี้นี่ไงปฏิจจานในจิตดวงอันนี้ละเอียดลึกลึกลงไปเลยเอาดวงเดียวนะนี่พูดให้เห็นว่านี่ไงนี่ไงสังสารวัฏนี่ไหมนี่ไงสังสารวัฏขนาดจิตเดียวแต่มันเป็นแล้ว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 ่โดยหลักตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยการหมุนไปของขันธ่าตเยตนะมันเป็นไปอยู่ตลอดเวลาในขณะที่คุณเห็นรูปได้ยินเสียงโดนกลิ่นลิ้นลบสั่ผแล้วก็คิดนึกธรรมอารมณ์อยู่แล้วอันนี้เราไม่ต้องห่านอะไรสะกอย่าเพราะความจริงก็เนี่ยตามหั้วก็วิจพทพจน์นั่นเลยเอามีดีถามว่ามีสูตรรับรองไหมอาศัยตาแล้วรูปเกิดจากกุญานการประชุมของธรรมประการมิประเริฐเห็นไหมในชาติกาสูตรเป็นต้นนี้ไหเนี่ย เห็นไหมเราก็กล่าวชัดเลยเห็นหว่าฉะนั้นหมุนไปทุกขนาดจิตอยู่แล้วคะคคือคืออยากจะใช้คพูดอันนี้แต่ว่ากลัวจะเป็นกล่าวตูด่ดูนั้นอาจจะมาแล้วกล่าตูดี่แบบไม่ล่ค่ะงั้นเนในโดยหลักตากลเป็นจริงแล้วอะไรอย่างนี้ฟังค่ะก็คือคือคือในลักษณะนี้พอเรามองอย่างนี้แล้วมันจะสะดุ้งจะถึงใช่คะ มันสะดุ้งจริงๆสะคุ้ถ้าใครคิดแบบนี้บ่อยนะสะดุ้น่ากลัวเมื่อมาเช้ายังคุยกับพระอาจารย์น้องท่านคุยแต่ไปคุยแต่มาอะไรก็ไม่ทราบเจออะไรง่ายก็ะองบอกว่าโยมเห็นนาฬิกาที่ที่อะไรที่ก็มีตามมินาทีอโอ้โหมันทำให้มันเหมือนสัญญาเตือนว่าช้ไม่ได้ลนะ คนพูดถึงพระเทกาละรัตสูตรพระเทกาละตสูตรชอบเหลือเกินตั้งแต่ไหนตั้งแต่ไม่อ่านยังไม่ได้ไหาธรรมะก็ชอบปัดอันนี้คือท่านบอกว่าอมาฟังอยู่นี่พระองค์นั้นท่านก็พูดถึงสุดเดียวกับที่เราเคยชอบมาอะไรอย่างเงี้ยก็ถูกมาคล้ายๆกับป้ายพวกนันเดินพี่ก็มาเดินตามท่านอไรอย่างเี้นะแล้วก็เลยามาพูดถึงอันนี้ค่ะว่าว่า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 เพื่ออะไรอะไรบ้างแต่คนนี้ถ้าอยู่ลำพังเนี่ยมันมันจะไม่ปล่อยเลยเพาเห็นนาฬิกาโอ้โห้วยตั้งแต่เนมันคมันาเตือนเองอะเหมือนเหมือนกับสนมรณะนุสติโยงยังไม่คิดอย่างนั้นอยงนั้เรียกมรณะนุสติใช่ไหมฮะนี่แหละคือมรณะนุสติถึงใช่ไหมคะเนี่ยไหนเห็นโยยังไม่เข้าใจทั้งที่โยทำแต่ว่าโยไม่เข้าใจโยมรณานุสติโยงมต้องคิดถึงความตายบ่อยๆอะไรอย่างนี้อันนี้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 ถ้ากระตุ้นถ้ากระตุ้นแรงๆแบบนีハハ yeah. ้แสดงว่าบุญม่ใช่เพราะยงยมวิญญาณที่อยู่กับธรรมราจะเป็นตัวกระตุ้นเยอะเหมือนเมือนกับไอสิ่งนี้มาสัญญาในนี้คืออย่าลืมนะบุญที่เกิดขึ้นจากการปฏิธรรมราที่ถูกใครไปอ่านบุญนั้นมันย้อนกลับมันย้อนกลับอย่างแรงมันเที่ยงอากมาบรรยายไปคนต้องไปฟังแต่ละคนบุญมันกระแทกกลับที่อัตมาแรงมาก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 เยช่ใช่เพราะว่าบุญอันนี้มันแรงเขาเรียกว่าให้สถานที่ให้ความสะดวกเราพยายามที่จะให้คนเลยรู้ตัวรู้อยากให้รู้แล้วบุญนั้นมันจะแทกกลับอาใจคําอย่างมี้มันย้อนกลับแรงมนะเขามันจะเป็นตโตโฆษาปัจจัยเตือนโดยที่เราไม่ได้ปรารถนาสิ่งนั้นเลยใช่ไม่ต้องปรารถนาก็มาแล้วละอโมนจริงๆหอย่างที่ทใช่ งั <mister> นตรงเนี้เป็นบุญที่แรงหลายคนไม่ ค, ah <jakieś jal ate> ค่อยเข้าใจบุญตรงนี้บางทีไม่รู้ยจะทำไปบุญมันมันส่งถึงเมื่อไรเหมือนเหมือนเหมือนเมื่ก่อนโยมอาจารย์คิดได้ที่ไหนเรเห็นวินาทีแป๊บแมันกระเตื้นแรงเลถ้าไม่ใช่บุญจากการที่เคยสร้างสมบุญตัวนั้นก็เมก่อนเราไม่เป็นนะคะใช่ไหมคะและอีกอย่างหนึ่งคือแม้แม้ในขณะเนี้คนบางคนอาจจะหยิบก็จะบอกตอนที่กําลังมองเป็นพลียนใช่ไหมตอนนี้เบื่อหน่ายครอบครัวอะไรเงี้ย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 เดี๋ยวที่ไม่รู้แบาทำอะไรมาก่อนนั่นแหละตรงเนี้มันว่มันพมกระตุ้นความคิดมันทําให้คิดผิดไปเลยอแล้วเราเนี่ยมันพ้นที่ไหนก็วันใดวันหนึ่งไม่รู้ไงถ้าบาปเนั้นตามไม่ผลน่ะมากระตุ้นทําให้ราตายเป็นวิชาที่ิี่อย่างแรงไม่เข้าวัดเข้าวาเลยก็ได้ยังาดมเปลยนไปได้ถึงขนาดทำไมจะไม่ได้บางคนเนี่ยนะอากเป็นผู้ชายอยู่ที่จะกลายเป็นผู้หญิงได้อดูดูบาปเป็นส่งผลเด็ นั่นถึงบอกมันส่งผลได้ในบริว่าริการมันส่งได้เนี่ยเราแน่เป็นต้นอะไอยู่ๆเนี่ยความเห็นถูกเป็นอยู่ดีๆพอบาาที่มันได้จังหวะขึ้นมาการเป็นดีผิดพอถึงไอ้ไอ้ไอ้วิบากแต่มันให้ผลนะคะลองมีบางคนเนี่ยศึกษ า, าเราเรียนมาอย่างดีไปเจอลาบสการ์ละน่าครอบงำไปเลยเหไหมเนี่อยอีนี้เป็นต้นเจอเรืนึงต้องบอกเสียหน้ากลัวต้องพึงระวังเมื่อี้เราสร้างความดีไว้เยอะๆที่แหละ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 สังขารวิการและขนาานันธิญิพานบรญยกก็คือสังขารก็ได้แก่สังขตธรรมธรรมที่เป็นไปในภูมิสามทั้งหมดอยู่น ไ, ไหมตลอดถึงกินไปถึงโลภุตระที่เป็นไปในภูมิสี่ด้วยก็ปเป็นสังขารอยู่เช่นมรรคกิจประจิตเนะี่ยอันนี้เป็นสังขาหมดเลยนะไม่รวมนิพานใช่ไหมกายประจิตรูปปจิตอรู ป, ปจิตโลกุตระจิตแม้เจตสิกก็ตรัสรู้ สังขารในที่นั้นน่ะถ้ากินความไปก็คือว่าจินแปดสิบเก้าเจตสิกห้าสิบสองนิพพานในรูปสิบแปดนี่จะเป็นสังขารกันฮะวิการก็คือวิการรูปสามอันนั้นเป็นเป็นความเบาความอ่อนความควรของรูปและขนาะรูปสี่ก็คือปัจจัยสันตติชาต า, านิจต า, าอันนี้พุทธิยถาต้องรับรู้ได้ได้เด่นเด่นรูร้เข้าใจแทงทะลุทะลวงว่าเห็นขนาดเกิด ใช่ไหมขนาดสื่อต่อขนาดแก่แม้ขนาดดับของนามของรูปเนี่ยเนาะในของรูปเนี่ยนะของรูปธรรมรลางนิพพานจะเป็นนิพพานของใครพระริจ้าจะรู้หมดเลยจะเป็นนิพพานหนึ่งนิพพานสองนิพพานสามหรือนิพพานแยกออกเป็นหลายๆร้อยหลายโกรดหลายพันของใคยทั้งหมดตะรู้หมดเลยบัญญัติทั้งหมดอันต่างด้วย อัฐบัญญัติและสัทธาบัญญตัติจะเป็นบัญญัติอะไรเยอะแยะที่เปลี่ยนย่อยไปจากสองบัญญัตินี้ไม่มีะไรที่พระเจ้าจากไม่รู้นั้นอนาวรณญญาณสัพพัญญุตญาณอินเตียโปรเริยจียานอาสาธนญญาณหพระพุทธเจ้าทศวรรษาณสิทธพุทธญาณสิีเวนี่จะทำสิบแปลกล่นเนี่ยนะนเขาเรียกว่าตัดสรุยิ่งทีนี้ปวาตัสรุของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้ามองไปในส่วนของภายใน ในส่วนของภายในพุทเจ้าตัดสรุดได้ด้วยตนเองนี่ตัดสรุอะไรเช่นตัดสรุขันธาตอายตนะสัตจักอินทรีย์ปฏิจจัตหมดเลยถ้าในส่วนของอายตนะในส่วนของเกี่ยมในเรื่องมองจักรคู่ใช่ไหมจักรคูม่มาตัดสรุปด้วยามเป็นทุกข์เอามาวิจัยเลยรูมม้หมดแล้วก็เหตุที่ทําให้เกิดจักรคูเป็นสมุทรไทยจักรคูสมุทรไทย จากขูนิโรธคือความไม่เป็นไปต้อกจากขูและตัณหา<ม>ที่เป็นปัจจัยจากขเกิด อ, อันนี้เป็นนิโรธนะสัจจะ<ม>ต่อที่ปลายถึงนิโรธก็เป็นมรโสตาคานาจิวหากายะและวก็มนโนก็มาวิจัยลงทุกสมุทยัยนิโรธ ม, มร์ไปหมดรูปอารมณสัจตารมณกันาาาตารมราสาลมโกตาอารมและธรรมอารมก็มาวิจัยลงในทุกสมุทยัยนิโรธ ม, มร์หมดเลยแล้วก็เกี่ยวกัเรื่องของอายตนะภาย ใ, ในและอายตนะภายนอกวิญญาณหก จักคูวิญญาณโซตาวิญญาณานวิญญาณจวหาวิญญาณกายยงวิญญาณมโนวิญญาณแต่วิญญาณในจากคูวิญญาณเป็นทุกขสัจเคยดในตัวจากคูวิญญาณเป็นสมุทัยยสัจความไม่เป็นบายข้อเหตุเขาจากคูวิญญาณใ้ตัวจากคูวิญญาณเป็นนิโรธาสัจปัจจุบทนถึงนิโรธเป็นมากเห็นไหมจากคูวิญญาณเปจนถึงมโนวิญญาณก็มา่งวิจัยจารย์อย่างรวมมารยาสัจสมดทัศาหกจากคูสัมปัสส์โซต่าวิญญาณกลางนักวิญญาณจิ๋วหาวิญญาณกายยิ่ง แล้วก็เวทนาหกสัพพะสัจาสสชายเวทนาโสตาคาราจิวหาสกายะแก็มโนโ ส, สัพพะสัจชาเวทนาเวทนาทุกเวทนามาวิจัยเป็นทุกข์เหตุให้เกิดเวทนาเป็นสมุทัยความไม่เป็นไปของเหตุของขให้เกิดเวทนาและตัวเวทนาเป็นนิโรธปฏิปทาเป็นนิโรธเป็นมรรคสิทธิ <c oughs> สัญญา6รูปปฏิสัญญาสัมภาษนะสัญญาคารสัญญาจิวหากายะสัญญามโนสัญญานี่ยสัมมาสัญญานี่ยเอาวิจัยลงเรียตัดเจตนา6 เจตนา6รูปะสัเจตนาสัทธาสเจตนาไล่ไป่องหนึ่งทให้สังเจตนตัณหา6กรูปะตัณหาสัทธาตัณหาคันตัณหาชิวในัะโพดะแลธรรมะตาตัวตัณหาเป็นทุกข์สัตว์ได้ตัณหาที่เป็นไปในปัจจุบันนภ์ไตัวตัวตัณหาที่มันลงผลขวัญละต่างๆเนี้นะส่วนเหตุที่ทาให้ตัณหาเกิดในปัจจุบันภที่เป็นอุปนิสัยปัจจัยตัหาในปัจจุบันนี้เป็นสมุทัยสัจจ์ความไม่เป็นไป้องเหตุของตัณหาและตัวตัณหาเป็นทุกข์สัจจ ตอนที่ปายถึงนิโรธเป็นมรกเห็นหมที่ปัญหาก็เป็นเรื่เป็นเรื่องคำถานก็เป็นทุกข์ษัติย์เทียตั้งเิอปัญหาก็ไป ส, นในในใน ส, สุ่ทปนต้นอันนี้ถามมีหลักฐานไห่มีในไหนในสัมมาทิฏฐิสูตรตันหาจากตัหาตัหัจากตันหาสมุทยาจาัดเป็นต้นอยู่ในมัจฉมณีการมูลบันหน้าใมนิสูตรที่เก้าีเป็นต้นนึ วิตกหกตาใช่ไหมรู ป, ปร่าวิตกสัตทวิตกันท้าวิตกเป็นต้นนี้วิจารหกกับรูปปวิจารสัตววิจารเป็นต้นลักษณะ น, น, นี้ก็เป็นเอามาวิจัยลงทุกสมุทรยนิโรธมากหนแล้วก็ท่าทบมีรูปปาทาใช่ไหรูปปาท่สัท่าสทาัตทา่ทารัท่านไหแล้วก็ธรรมะท่าทาท่านทนี้เอามาวิจัยเป็นทุกสมุทยนิโรธมาขันท่าเนี่ย нет? รูปอาการเมรณาสัญญาสังขารบินเนี่ยอืมกไอนุสติสิมีพุทธานุสติเป็นต้นทาวิจายนทุกสมุทยที่โลดมากืมตัวสติที่ไประลึกถึงพุทธคุณเป็นทุกษัตรูไหมเห็นไหมเนีเอาสิแลวตัวตัณหาที่เป็นเหตุให้สติและธรรมะที่เกิดรามสติเกิดก็เป็นสมุทยสัจจ์ความไม่เป็นไปของพุทธคุณทั้งหลายคุณของพระุทธเจ้าทั้งหลายตนก็เป็นี่่ง ปฏิบัต่งนิโรธเป็นมากอุทุกมาตาการสุภาวิณีรกการสุภาวิปุพกาสุภาวิชิตการสุภาวิขาจิตการสุภาอสุภาสิบทั้งหลายเป็นทุกขสมุทัยนโรดมากหมดเลยเอา น, นักไปกรสินสิบฐฐฐาาปัจจุบีกสินานาาโปกสินังเตโชวายโรมินทร์เอาวิปยาปนทุกขสมุทัยนโรธมากหมดเลยว่าป็นอยาใช่ไห ม, มหมูใจฉุฐฐฐานเลยเพราะตัจีกรสินน่คือดวงักลมนั่นะ ถ้ า, าวิจัยเป็นทุกสมุทัยทุ่แล้วทำไมต้องวิจัยท้าไมวิจัยจะเป็นที่ตั้งของสารศาสตร์จะเกิดควา ม, มดีก็ะจะติดอยู่ในกระสินติดอยู่ในชาตติดอยู่ในสมาบัติแล้วติดอยู่ในปฏิภาคชีวิตก็ไม่ต่างอะไรกับละทิภายนอกที่ออกจากวัฏจักรไม่ได้เพราะไม่เอากระสินไม่เอาอาสุภามาวิจัยมผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเกสรลมมาะนะคะนะเกสาเป็นทุกขศักดิ์เกส า, า, ส, าสมุทยาเป็นที่รอดทัศษจักร เกษาหนโรทะเป็นนิโรท้าสัจจะเกสาหนิโรท้ะคามีปฏิวทาเป็นมักขสัจเอาสิตัวผมเนี่ยเป็นทุกขสัจปัญหาที่เป็นไปใจัเกิดผมเป็นสมุทัยสัจความไม่เป็นไปของตัญหาแล้ผมในสังสารวัฏต่อไปเป็นนีโรท้าสัจจะตปิปัททายถึงนีโรทเป็นมากถามว่ามีจุดไหนที่สมมาสมพุทโธไม่ทมพทโธลงนี้มันอยู่ในบทโนกับที่เธอ สมาดับพุทโธตัดสรู้ได้ด้วยตนเองพี่ตัดสรู้โลกนัน่นเองตัดสรู้โลกขันธโลกนัน่นเองผมคนเล็ฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมากหัวใจตไปตปีเจอนีน่ยมาวิจัยบนอริยศาสตร์บเลยเมืนอนม่อนี่ไงหลักปฏิบัติที่นี้เราไม่ได้ปฏิบัติตามท่านถ้าเราปฏิบัติตามท่านตาม น, นี้ผมโคเลฟันหนังเนื้อจะไม่ได้เป็นที่ตั้งของตรหนักที่ดี่ไปนานแล้ว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 ไม่เหมือนไก่นี่ไก่มัว เ, เยอะนี่หมูนะไก่ก็ดีหมูก็ดีช้างมาวัาวควายก็ดีอยู่ในครอบอ ย, ยู่ในนั้นก็ตัดกันทุ่งกันทำร้ายกันท้ า, ท, าทั้งครอบไปฆ่าอแต่มนุษย์เนี่ยจะต้องมีปัญญามากกว่า จ, จะต้องเห็นสังสาราวัตมีความเป็นไทยมีความเป็นของน้ากลัวใช่ไหมถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยมันจะตุ้งไหม<อ>จะดุ้งไม่มัวแล้วว่าไปจะไปดูคนนั้นดีอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นคนนั้นปฏิบัติผิดคนนี้ปฏิบัติถูกมันไม่มีแล้ว มีแตความกรุณามีแจความกรุณาเนี่ยมีจริงเลยนะแล้วศาสาพุทใช่ไหมพระเ จ, าจ้าชูบอกว่าไงหมทานปาลามีใช่หยสปันโนทานุป ป, ปามิทานปะาปรมัตถปาลามีเมตตาการุณามูทิดาวปิท า, า, า, า, า, ากัุณาพระเจ้านี่พระมีกรุณากัปัญญากัตตุงเือนบารมีท่านผูกอะไรไว้ในตนผูกสักไว้ในตนแล้วก็ผูกบารมีไว้ในตน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 แล้วถ้าไปปลูกบารมีได้ตัณหามานะาที่จิตไม่จบเลยให้ทานก็ได้ตัณหามานะาที่จิตที่เป็นคนอื่นก็ได้ตัณหามาหน้าผิดพลาดสร้างบารมีกันผิดไม่เดินไม่เดินตามรอยบาทของพ่อใช่ไหมถ้าเราเดินตามรอยบาศก็ศาสดาของพ่อจริงๆเนี่ยเราจะมาวิจัยตามพุทธเจ้าก็เหะนอาการสามสองเนี่ยพอเขาวิจัยทั้งหมดแล้วมีส่วนไหนจะเป็นนิจตั้งตัณหามาหน้าที่จิไม่มี คือมนเบาไหมล่ะ ว, วิจัยได้จริงๆเบาไหมล่หมนี่มีคนวิจัยอย่างานะี้ไหมก็ยากก็เนี่ยที่อาตมานำเสนออยู่นี่แหะก็ต้องการให้มาวิจัยเขาต้องวิจัยกักนจริงๆทําไมวิจัยแล้วต่าหากเอาไปกินหมดแหละแต่ถ้าอารมณ์ใดที่ ต, ตัณญาเขาไปวิจัยแล้วมันเหมือนว่าเป็นที่ของพระราชาแล้วยาจบ ก, ก็บไม่คาบอยู่ ใช่ไหมแต่ถ้าหากโมหะไปวิจัยไปเสร็จแล้วก็เอาพวกพร้อมไปอยู่คือตัณหาในนัตถิติษย์ใช่ไหมฉะนั้นเพราะเราเคยเอาตัณหามาในัตถิติษเล่นไปในสังสารวัฏในขันธ์ของเราท่านทั้งหลายดัยานายาวนั้นแล้วก็เราไม่เห็นโทษของสังสารวัฏ<ช>ไม่เห็นโทษของการหมุนไปของขันธ์ธาตุยัตนะที่เป็นไปอย่างไม่ขาดสายเพราะขาดการเข้าใจธรรมวัาสาเนั้นเป็นผู้พืชบอก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 แล้วไม่เคยวิจัยขันภายนอกก็อีกจบเลยปกติไมได้ฟังทางกค็คงไม่ได้ไม่ได้มาวิจัยกนเลยก็นีง่งนี่ชีวิตตรงนี้มันต้องวิจั ย, ย<อ>แต่เอามาวิจัยแล้วจะเห็นโทษร<ม>้องงสาวรวัตจริงๆทีนี้มันไม่ใช่วิจัยแค่นั้นเนาะอ า, าณาักนะาสิบสองมีจักขายจตนะต้องมาวิจัยหมดด้วยความเป็นทุกขสมุทัยที่ร้อนมัรรมกแต่ละอย่างต้องมาวิจัยเพื่อจะได้ไม่เป็นที่ตั้งอุตสาหะมานาที่สี้าศิษแปด จับคูธาตุรูปธาตุจับคู่ยานธาตุเป็นต้นต้องมาวิจัยอินรียี22ถึงซเป็นต้นต้องมาวิจัยด้วความมีทุกขสมุทยรต้นมาพบสามใช่ไ ม, ไม่เอาการมพบรูปประพบอรูปประพ บ, อพ บ, พบเอาสิงี้เข้าไปในภูมินะใช่การมาภูมิรูปภูมิอรูปภูมิรูปรร ป, รประไว้ทั้งหลาย่าน้านะา ป, ป, ปาให้ปปัอู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 ใช่ไหมทั้งสัตว์ตัวโลกทั้งโอกาสโลกเอาสิโลกเหล่านี้ก็คือทุกข์สัแล้วอะไระเป็นปัจจัยทำให้โลกเหล่านี้เกิดตั้นหาของสัตว์นี่นเลยเป็นสมุทยัยสัจจัถ้าตั้หาไม่เกิดเป็นไปถ้าโลกแบบนี้ไม่เกิดเป็นนิโรธาสัจจ์ตอนที่ป้ายถึง น, นิโรธเป็นนี่เราเคยเอาดินหญ้าต้นไม้เอาวิจัยเป็นอริยศาสตร์ไหม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 ทุกัตริย์เห็นไหตัณหาที่เป็นปัจจัยเข้าถึงอรูปภพเป็นสมุทัยญาติจักความไม่เป็นไปของตัณหาและอรูปภพนั้นเป็นนิโรจน์จักรใช่ไหมปฏเวลาถึงนิโรจก็เป็นมาถามว่าอักข ถ, ถ, ถ, ถึงไหมถ้าถึงจะเข้าใจอา้าพอถึงเนยสัญญาภพเพรที่มีสัญญาภพที่มีขันห้าอ่าสัญญาภ พ, พที่มีขันหนึ่งคือ เอกาวุธนี่แหละ เ, เนวสญญ า, นาสัญญาณาสัญญาณก็คือนุอาลุะรูปภูมิที่สุดท้ายปเป็นทุกข asar เลยต้หนหาที่เป็นปัจจัยนะั้นเป็นสมุทัยสจํญญาหมดเลยถ้าความไม่เป็นไปของต้นหาแล้วพบเลยนั้นเป็นนิโรธสญญาสจัมเลยตัดทีท้ายจริงนิโรเป็ น, ม น, ปมนหมรผสมมษษษษษ่ชา น, ชา น, ชานชไหมโตผสมแชานก็เป็นทุกข a s a ทุกเชานตานจดเดชชานไหมอรูปชานทั้งหลายเป็นทุกข asar ตัณหาที่เป็นปัจจัยให้ป่าตัณหาทำใได้นั้นเป็นสูตทียิสัจจะถ้าไม่มีตัณหาไม่มีชาเหล่านั้นเป็นนิโรธเนี่ยปัจจทายถึงนิโรธเป็นมากกว่าสเมตาก็เป็นทุกข์ษัตริย์กุนาก็เป็นทุกข์ษัตริ์มุติตาก็เป็นทุกขัตริย์อุเบกขาเป็นทุกขษัตรย์ตัณหาที่ทำให้เกิดขันเหล่านี้เกิดกุนามุติตากุนามุตากุลขาเป็นสมุทียสัจจะปัจจุท้ายให้ความไม่เป็นไปของตัณหาและก้ว Okay. เอาคิปฏิจจสมุปบาทเอวิชาเป็นทุกไหมทุกสัตว์นะอย่างนี้เป็นต้นเขียนให้เกิดเดีวิชาก็เป็นสมุทัยความไม่เป็นใบของวิชาละเหียดของวิชาเป็นนิโรปิวัติจนีงก็เป็นมมีอะไรบ้างที่จะไม่ลงอริยสัจเนี่ยเข้าใจคำว่าสัมมาสมพุโทโธอย่างเข้าใจคำว่าสัมมาสมพุทโธอย่างนี่แบบย่อๆ <laughs> เร็วๆ <laughs> แต่ถ้ามานั่งวิจัยเนี่ยเป็นเรื่อง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 ที่สสารละวัดไงที น, นี้นี่คือสงสารวลวันี่สงสารละวัดต้องเป็นอย่างนี้จนถึงน่นะชารามรณะเป็นทุกข์เพราะเป็นเหตุให้เกิดโศกกริเวะทุกขโทมรณเสวยายากใช่ตัณหาตัณหาหมายถึงชาติเหตุของชาราวรณนเนี่ยเป็นสมุทยัย ความไม่เป็นไปของชาติและชาติมรดญทั้งสองทั้งสามนั่แหละเป็นนิสสันนาทนเป็นนิโรธปฏิบัติให้ตัเป็นเหตุให้รู้นิโรธยังเป็นมารกษ์จบเลออยเตัวอดีตศาสตร์อย่างเงี้ยมีสัมมาสัมพุโทโธแล้วสวดกันนะเคยลึกขนาดที่ว่าสัมมาสัมพุทโธจัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองจบแค่นั้นแค่นั้นแค่นัน้ น, น, น, นจริงๆริงจริงจริก็ต้องมาวิจัยอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าสัมมาสัมพุทโธนะชัด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 เจ ต, ตุปปญญากาหนดรู้จิตของบุคคลอื่นปุเพนิวาสานุติยานิเวศุติคนที่จะเลือกปุกเพนิวาสารุติยานแม้ใ น, นพระองค์เองเนี่ยพระองค์ต้องรู้ปฏิจจังเลยเขียนด้วยความเป็นขันธยตจนทค้าเท่านั้นนท่าที่ไปอ่ะและ้วก็เข้าใจศาสตรบุคคลด้วยเข้าใจขันธยตานาทค้าที่เป็นไปในดีด้วยดิชันเลยแม้แต่จุดติแม้จุดตูปปาปญญาเหมือนกันเชื่อจากภูยามตาที่เป็นต้นเหมนี้นกันแล้วก็อาสวะขย้ายยา น, นทําอาสวะไอ้สิ้นนี้ไหมนี่คือวิชาแปด คือวิปัสสนาแปดนั่นเอง mm hmm. ต้องใช้คำว่าวิปัสสนาคนนี่จะใช้